อ้าวลองทำต่ออีกลองจอกที่ได้จนถึงตลดตนาตายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปด้วยสาธยายพาากกระสูตรธรมมจักกับวัตนาสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงที่ชนากันแรกเก่ปัญจวีรี าที่ป่าอิสิปตนะเมือทยยกวันหลังจากตดหลังจากการตัดสู้ได้หนึ่งเดือนแต่วางร้อนวิชากรรมฐ า, านงุ่ง ม, มั่นสวยพิมุติจุกอยู่ที่สีมหาโพธิ์เสียทิตศ ยิทธเห็นปัญจวิคีก็ได้มาแสดงธรรมเก่ปัญจวิคีในเทศนากันนี้ที่เราได้สาธยายนี้กุ้มข่าอุษาเดินทางโดยพระบาทดำเนินโดยพระบอสองค์เองตั้งเวลาหนึ่งเดือนกว่าจะถึงปายสิปตนามลุครายวัน จากพุทธคยาไประมาณชักสามสี่ร้อยกมที่หลาเดินทางอาจะเป็นหนึ่งเดือนถึงมันเพ็นเดินแปดเป็นแสดงทาแสดงว่านานพอสมควรมุ่งมั่นในความมุ่งมั่นกับความสำเร็จ นั้นยิ่งใหญ่ถ้ามาแสดงก็สมสมก่าคาดกันเหนียวไว้แต่ที่เราได้ฟังเนี่ยเป็นสูตรที่ยอดเยี่ยมที่สุดทำให้เกิดพระอรหันต์ขึ้นมาในโลกครั้งแรกคือพระสงฆ์ทัญญาทุกอย่ายุ นอกจากมาปะปฏิญามหานามะเป็นรุ่นหลานจนยาเป็นรุ่นพ่อก็ว่าได้เพราะสมัยเป็นตามไปทำนายลักษณะของสิท ธ, ธัตะตั้งแต่วันประสูตรได้เจ็ดวันโน้นตามหนุม่มหลออยจนถึงวันตัดสู้เนี่ยจน จนจนได้เกิดเป็นพระสงฆ์องแรกหลังที่เราได้ฟงังมล้วก็นั่งฟังธรรมเทศนาของพระเจ้าแล้วก็เป็นเรื่องของเรานี่แหละ <c oughs> เราจะประมาทไม่ได้ผมหลงมาไล่ล่าเรา ปัญหามันไล่ล่าเราโจดมันไล่ล่าเราพ้องเราสเสมอเจอทุกมันก็ไล่ล่าเราเผอไม่ได้ไม่ประมาทค่ายกับพระลาว่าผู้ครองเรือนมักปวดก็เหมือนพวกมีชีวิตที่เพื่อแนวหน้า แต่ว่าผู้ครองเดอนก็ต้องประมาทไปได้เพราะขมจนมันไล่มองเห็นโลกเห็นเต้าเห็นครอเห็นครัวนั้นประมาทไปได้ต้องขยันมันเพีย น, นเลี่ยงครอบครัวถ้าประมาทความจนก็ไล่ตามทันลำบากเกิดความขยันไปในตัว เรเมียกอดไก่โบราณท่านว่าสิบปีเอิบหน้าไม่หน า, สาวสองปีเล่นเสาไม่เบือ่อสามสิบปีสู้เสือทุกท่าสามสิบปีสี่สิบปีสู้เสือทุกท่าสี่สี่สิปีเราเมียกอดไก่ไม่กลัวอะไรไม้กลัวยากลํำบากต่อสู้ โลกเราเป็นนักบวชผู้ที่มองเห็นภัยในวตัตฏะเราก็ต้องประมาท ไ, ได้ได้าหลงมันเลยล่าเราเกิดอยู่ทุกขณะอะไรมันไล่ล่าเราทำให้เราไม่เป็นทีศิลมีภัยตลอดเวลาเราจึงมีหลักแบบนี้เจริญสติแบบนี้ นิสติที่ใดก็หายตามไม่ทันมานตามไม่ทันถ้าขาดสติก็มีโอกาสมานจับได้ไรยทันเห็นสุขเป็นทุกข์ไปเจอจากเหตุปัจจัยหลายอย่างอะไรทำมาแล้วเลขเป็นอะไรมา ชีวิตเราก็มีภาละอย่างน้อยเราก็ต้องเป็นหนี้พ่อแม่ก็ใช่หนี้ยังไงนอกจากนี้บุญคุณพ่อแม่นี่บันพ่อหลุดมอกจากนั้นเราก็ควาเกิดความแจ่ความจิบแลวายตายยังตำไล่ล่าเราอยู่เราได้ทำงาททำกรรมไหไว้บ้างอาจจะมี ปูจะป่าค่าเป็ดข่าไก่หลงใช้ชีวิตผิดผิดมามีเหมือนกันเราก็ต้องไม่ประมาทเตความดีทำกรรมดีให้มากเรามีเล่เาความชั่วทีเดียวเตความดีทีไร มันก็ว่ า, ามันมันมีความประทับใจเวลาใดที่มันหลงเกิดขึ้นเราลู่เนี่ยเวลาใดที่มันทุกข์เกิดขึ้นเราลู่เนี่ยเวลาใด <centigrade mustard S 1> มันผิดเกิดขึ้นเราลู่เนี่ยมันประทับใจว่าจะได้ไม่หลงจะได้ไม่ผิดจะไม่ได้จะได้ไม่ทุกข์เป็นงานการที่เป็นงานของงุษเป็นงานของพระ ไม่โทษไม่เที่ยงให้เป็นการบ้านแล้วก็เห็นหลอดเวลาล้า ก, ก็มีสติอยวงก็ยังหลงได้ทางมันหลงก็มีทางไม่หลงก็มีพระเจ้าจะแดงไว้แล้วเนี่ยนั่นมีอยู่ทาง ต่มันจะขานิกาโยโคเป็นทางเร็วเป็นทางต่ำอัฏฐะจิมถายโยโคเป็นยางศูนเปล่าไม่ควรข้องแวะไม่ควรเสพมัดจิมงาปฏิปทาเป็นทางสายกลางควรนำเนินเพราะล่อไม่ควร เดินไม่ควรเกี่ยวขอ้องการมลอะทัจจมัทาโยโคการมสชขนิการโยโคก่กามันุกขะการมัชขนิกายโกูโโคเป็นไปด้วยความโอเนเดมันหลงก็หลงมันฉกกุก็ฉฉุกมันทุกก็ทุกทุกเป็นทุกหลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธ พอใจก็เป็นความพอใจไม่พอใจเป็นความไม่พอใจโอนแอเกินไปมัชเจมามั น, ม, ม, นมีอยู่เปลี่ยนมันได้อยู่หลงไม่หลงปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นทางสายกลางอย่างนี้เสยเยี่ยดีทางอสังคิโกมัคโคมีอยู่ ได้เจจริงเหล่านี้คือหลังที่เราอาศัยย่อยสมมาทิฏฐิเห็นชโชคบกบหลงไม่ถูกต้องก็ไม่หลงถูกต้องนี่สมมาทิฏฐิกองหลงเป็นกรมมุสขันิกายโยโคควงทุกข์เป็นการมมุสขันนิกายโยโค เ จ, จ่งจองจนเอาผิดเอาถูกผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเวลาปฏิบัติจะให้ข่ามันน้าผิดระว่างไม่ให้มันผิดคบหน้าคบหลังเป็นอัฏฐะเยี่ยมถาโยโคถ้ามันถูกก็พอใจถ้ามันผิดก็ไม่พอใจให้ความผิดให้ความถูกไปค่าอัฏฐะ เจงพยายามที่จ ะ, จะใจใองมากมันผิดก็เห็ น, หนมันถูกก็เห็นมันพอใจก็เห็นมันไม่พอใจก็เห็นไม่ได้เข้าไปเป็นนี่คือเป็นกลางเข้ปไปบัติไม่มีอยู่อย่างนี้ดบเนินไป เดินอยู่บนเชนทางมันผิดมันก็บอกผิดมันถูกก็บอกถูกมันมีคำตอบอยู่ในตัวแล้วผู้ปฏิบัติใกล้กับว่ามันสอบอารมณ์อามผิดมันสอบความถูกมันสอบความทุก์มันสอบอะไรที่มันสอบถ้าไม่เป็นไปที่มันสอบ เออมหลงมันสอบให้หลงความฉุกมันสอบให้สุก้ามันหลงเป็นหลงสอบตกสุกเป็นสุกสอบตกทุกเป็นทุกด้วยสอบตกพอใจไม่พอใจคนสอบตกถ้าสอบผ่านก็ต้องเห็นมันไม่เป็นไปกับมันมัชเขมามันมีทางแบบนี้ควบปฏิบัติผู้ที่เดินก็เห็นเองเดินเราเอง มองตอนเองแค่ไขตนเองเหลี่ยนตนเองมีสติถึงจุดหมายปลายทางได้ไม่ใครไม่มีใครช่วยไปแต่เพื่อนกันปัญหาที่เกิดขึ้นบางปัญหาจะหาเหตุผลหาคามตอบจากความคิดบางอย่างความคิดมันตอบไม่ถูก มันเกิดจกากการกระทาถ้าเกิดปัญหาเลยขึ้นมาทำไปก่อนมาทาไปแล้วเฉลยที่หลังก็ได้ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็คิดจะถามอินทีไม่เจอกคำถามที่คิดจะถามถามโดยความคิด คิดขึ้นมาก็ถามให้มันพบเห็นแล้วมาถามปฏิบัติมนาะเกิดการพบเห็นเรียกว่าอารมณ์กรรมฐ า, าน้าคิดเห็นอันโน์นทำไงอันนี้เป็นไงหาความคิดมาถามตอบได้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ ถ้าเกิดการพบเห็นมาถามว่าตอบได้มันก็ไม่ประโยชน์บอกกันรู้เรื่องเหมือนไปเห็นงูเกะแม่เบี้ยนักษาเป็นยังไงบอกลักษณะมาถามแล้ผู้ฟังผู้ที่ถูกถามก็รู้จัก ลักษณะก็บอกว่านั่นเป็นงูงูอะไรลักษณะเป็นไงตาไม่เป็นยังไงตาลีลีตาตาลีลีไม่ใช่งูพิษถ้าตาลีลีงูพิษตาตาโบโบมนๆนไม่ใช่งูพิษ แต่ไม่เบี้ยเหมือนกันเช่นงูงูอะไรงูสางูสาเจ่งอเจ้าเล่เจ่งพอเห็นเราก็แผ่ไม่เบี้ยแสดงสีเขียวสีอะไรหน้ากลัวจูบห ข, ขึ้น ใส่ไม่มีพิษถ้าเรากลัวก็ไล่เลยวิ่งใส่ไล่ไปเลยถ้าเรากลัว ว, วิ่งหนี่มก็ไล่ตามนั่นอใส่เจ้าเล่ยขู่ดูตามก็รู้ตาโปูๆมันๆหน่อจะแดงแงู่ไม่มีพิษตาตาลีหลีรู้จังไหมตาลีตามัน <laughs> ๆ คนที่เห็นงูจะดังนี้ก็ถามมันแผ่แม่เวียมีสีหน่ากลัวตัวณาเป็นยังไงเราให้ฟัางก็รู้นั่นงูงูสาไม่มีพิษ ต, ต้าตาลีลีตาลีลีเยืจ่อจงอางของงูเสียงเนี่ยต่างกัน งูฉิงจิตาโปโบลักษณะเหมือนกันตัวเหมือนกันสีดำสีเหมือนกันหลายก็จะเหมือนกันหัวก็คล้ายๆกันแต่จงอางตาโพขวานะกันตาลลีงูฉิงตาปปโปโบโขใหญ่ๆสักหน่อยงูจงอางงูฉิงโขเลียวๆถามต้องจําให้แม่น ม า, มาบอกมาถามเห็นแล้วมาถามบอกได้แล้วไปตอบนี่ก็ตอบได้เองนะบันเราเห็นแล้วมาถามอารมณ์กรรมฐานก็เช่นกันบางทีมันก็อยู่แล้วไม่เป็นอะไร จะทําอะไรต่อไปไม่คิดก็ไม่คิดไม่พงไม่แต่งเป็นปกติอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นจะทําไงต่อไปบางที่มันเห็นอะไรมามันจึงหมดทุกเห็นไหมเห็นทุกไหมรูปทำนามทำมันทําอะไรมันรูปทุกนามทุก รูปโลกนาโลกรูปสมมุติน้ํามสมมุติรูปบัญญัตินามบัญญัติปรมาจารย์มันจบของมันก็มีอะไรผิดแล้วก็มีสิ่งที่ถูกขึ้นรวมหลงเป็นสมมุติควมรูปเป็นปรมาจารย์วมทุกข์เป็นสมมุติควมไม่ทุกข์เป็นปรมาจร ความโกรธเป็นสมุติความไม่โกรธเป็นปรมาภิ์เห็นมันเห็นเห็นแล้วไม่ใช่ได้ไม่ใช่เห็นแล้วเป็นความคิดเป็นจินตญาณไม่ใช่ไม่ได้เหมือนเรารเดิ น, นไปต า, ต, าตามทางมันเซจะล้มแล้วก็มีที่ไม่ล้ม<ง>ก้าวไปใหม่ มันก็ย่างขึ้นมาอาศัยดินนั่นแหละพื้นดินนั่นแหละพื้นดินทำให้ลม่มพื้นดินทำให้ไม่ล่มได้ถ้าเราถ้าเราไม่จน่ะรุกจักช่วยขอเศษไปก็มันก็มีควงที่แรงถ่วงทําใหเรายั่งตัวขึ้นมาได้ในแผ่นดินที่มันพายลม่มในแผ่นดินมันพาให้ไม่ลม่ม ในความผิดก็มีความไม่ผิดในความทุกข์ก็มนความไม่ทุกข์เ <c> ด <oughs> <c oughs> <อ>ี๋ยวสมมติบัญญัติปรมาสัไมีอยู่ในโลกมันจึงจึงจะใช้ไ่ได้ใต้เห็นทุกข์เป็นสมมติเห็นความไม่ทุกข์เป็นปรมตัตรมันมีคำตอบในตัวไปด้วยกัน เป็นสากลนมาคุณเจเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์เจเบอร์เหมือนกันหมดนอจีหนุนจีหนุนท่อน้ามจีหนุนจีหนุนเหมือนกันหมดมันไปด้วยกันนันเป็นสัจจะเป็นสมมูิเป็นปรมาทิตชีวิตนี้มันจึงมีสูตรสำเร็จแบบนี้หรือว่าสูตร ถึงได้ที่ทำให้แจ้งมันก็แจ้งในสิ่งนั้น <c oughs> จะกุกรณียาผูา้เจ้าแสดงให้เจริญปัญญาิีทุกขังอริสัจจังอเวตาพันติเตเวิกเวอิเมสุสัตเจสุริสัตเจสุจากุงอุทาปาติยาณังอุทาปาติยไม่แจ้งทำให้แจ้งจนถึงกับตอบสุดทา้ายว่า จิ่งใดเรายังไม่รู้ใบบรรลุแล้วรู้แจ้งแล้วตัดสู้แล้วเราได้ตัดสู้แล้วโลภสุดท้ายแล้วเป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่เกื้อเบลีอีกแล้วมันไม่แจ้งทำม่แจ้งแล้วไม่หลุดพ้นห้หลุดพ้นแล้วสิ่งที่มีทรมหมดแล้วมีอันใหม่ ขึ้นมาแล้วแทนมีความเต็มเต็มไปด้วยความไม่เป็นไม่เป็นอะไรเป็นไปด้วยความไม่เป็นความเป็นเป็นทุกข์ไม่เป็นแล้วมีในสิ่งที่ไม่เคยมีเว้นในสิ่งที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวมันเช่้ได้อย่างเนี้ทำไมก็ยังไม่เคยเป็นเคยหลงเคยทุกข์ หลงเปยังไงไม่หลงเป็นไงทุกข์ป็นไงไม่ทุกข์ป็นไงโกรธเป็นไ ง, น ไ, งไม่โกรธเป็นงไงสลัดคืนบอกคืนสล <c oughs> ัดออกสักสะพานออกไม่ทอวสะพานไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ให้ตั้งอะไรมาไม่มีที่ตั้ง กามตาภาวตัหาวิภวตัห า, หาไม่มีที่ตั้งให้เนบบาก็ไม่มีที่ตั้งเพราะอะไรมันไม่เป็นอะไรจะตั้งไว้ตรงไหนนี่แต่รูปกับนามเป็นธรรมชาติปิาการสุขไม่มีค่าทุกข์ไม่มีค่าพอใจไม่พอใจไม่มีค่า ไม่มีที่ตั้งให้ใหก็พอใจไม่มีที่ตั้งให้ใหว่ามไม่พอใจก็ไม่มีที่ตั้งให้มันก็เลยไม่ไม่มีอะไรมันเป็นทำเป็นไหมมันทำเป็นแล้วมันถูกต้องที่สุดเพราะมันเป็นประลมาท <c oughs> นี่คือเรื่องของชีวิตเราเราจึงไม่ควรประมาทมีอะไรที่ทำรือเยอะตามในตัวเราเท่ากับอัตตาอัตตาทิบยะ์เยตามกับตัวเรา โลกาเทปตายะทำต่อโลกธรรมาเทปตายะทำต่อธรรมอตายาตาตาจียาประโยชน์ต่อญาติโลตาตาจียาประโยชน์ต่อโลกพุทธตาจิยาประโยชน์ต่อพุทธศาสนามีแต่งานแต่การจึง จึงทําได้ชีวิตเราเนี่ยละความชั่วก็ได้ทำความดีก็ได้ไปทอดแท้อะไรมีอะไรที่มันทําไม่ได้ไม่มีเลยไม่ใช่ไม่ใช่ความคิดอะไรคิดมันยุ่งทำํำมันง่ายทํามันยากคิดมันง่ายก็มีเหมือนกันง่ายไม่คิดติดเมื่อทํา ทำให้มันเป็นเราจึงฝึกหัดสิ่งเหล่านี้มาช่วเรียนรู้เป็นการฝึกหัดของจริงของเทศมันก็ให้บทเรียนอยู่เสมอแล้วก็ทำเป็นกรอบเป็นกรรมขึ้นมา ว่ากรรมฐานมันศักดิ์สิทธิ์มีที่ตั้งมีการกระทบนที่ตั้งมีเจตักก็มีมีรูปมีนามไม่ใช่อากาศไม่ใช่อมนุษย์เป็นมนุษย์มีรูปมันก็เป็น มีอาการของโรคอยู่มีนั่งนั้นก็ปวดก็เมื่อยร้อนรู้หนาวรู้เหหิววยกัดก็ เ, เจ็บมันก็มีที่ตั้งแบบนี้เรามีสติดูแลดูแลให้มันปลอดภยัยให้มันคุ้มดูแลลูกให้มันคุ้ม ดูเลยใจให้มันคุ้มเรียก ว, ว่าปฏิบัติธรรมทุกคนก็มีกายทุกคนมีใจเลยกเป็นกายเป็นใจพอดูปไปเรอมาเห็นเป็นรูปเป็นนามพอเห็นรูปเป็นนามมันค่วงขวางเป็นสูตรแตกฉานไปเลยเหมือนจับหลักสูตรได้ อะไรก็มีสูตรได้สูตรโจทยาสูตรขนมสูตรทำอะไรอาหารก็มีสูตรของที่มันพิษเอามารวมกันเป็นยาของที่มันมีประโยชน์เอามารวมกับอะไรอีกเป็นประโยชน์ ถ้า ท, ทำสูตรให้ถูกสูตรสติปัฏธานาสูตรธรรมจักรกับวัตนาสูตรอธิตปรีอธิตปยะ ย, ายาสูตรอัตตาลัคนาสูตรตอเหยื่อที่ทังได้เจจริงเหล่านี้คือลูปูปะธนังขันโทขันนันเป็นที่ตั้งแห่งกว่าวิดมานคือลูก เวทนาโนภาธนาขันโทมีลูกมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณถ้าไปยืดเอาเช่นนี้ก็เป็นตัวทุกข์ย่อๆไม่มีสุ ข, สขเลยถ้าไปยืดลูกอะไรก็คือตุ ก, กูในรูปในกาย เวทนาที่มันสุขวันทุกข์ก็คือกูสัญญาที่มันติดอะไรมาคือกูติดความโกรธก็คือกูโกรธติดความรักก็คือกูรักติดความชังคือกูชังเดียวสัญญาสังขารมันปุุงอะไรก็ไปตามมันสังขารนั่นก็ ปั้นขึ้นมาเหมือนในช่างปั้นหม้อปั้นขึ้นมาแล้วก็แตกสิ่งไหนที่เกิดปรงแตกมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนวิญญาณมันติดเจ็บไว้ติดได้แต่ก็มันขาวสะอาดเหมือนผ้าจิตของเราเนี่ยเอไปใช่ไม่เป็นก็เปื่อนอะไรมาก็ติด ที่มันเพื่อนเรียกว่าวิญญาณไปยืดเอาวิญญาณไะยืดอะไรล่ะยืดตความหิวก็เป็นเปรตยืดตความโกรธก็เป็นสัตว์นรกยืดตความหลงก็เป็นเรยฉานขี่กลาดี่กลัวก็เป็นอสุรกายมันมีวกภูมิ เกิดดับกิดดับพระย่ออุปทานขันนะหาเป็นตัวทุกข์พระพุทย้าทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภกาจปนาจรรขวัตโตสาวสนีอนุสาสนีพระมูลพระวัตติพระสงสาวกของผู้มีพระเจ้าก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมาก ส่วนมากเอวังก็ส่วนมากมันะอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กายที่ใจที่ลูกที่นามนี่มันะไม่เกิดก็ไม่เกิดตรงนี้มันะไม่แจก็ไม่เจตรงนี้ไม่เจ็บก็ไม่เจ็บตรงนี้ไม่ตายก็ไม่ตายตรงนี้ ้าสุขเป็นสุกรับหองว่ามีแก่เจ็บตายทุก์เป็นทุก์กมีแก่เจ็บตายอริสัตชื่ออะไรปริปริวัตสามอาการ12ปริวัตสาคือทำงานเห็นทุก์นั่นแหลอริสัตหนึเห็นทุก์ <c oughs> สองอกอกจากทุกสามพ้นทุกนั่นมีสามอย่างนี้สมุทยเห็นเหตุแก้ที่เหตุแก้ได้แล้วมักคก็เห็นทางได้เดินไปแล้วเดินถูกแล้วถึงแล้วหรือว่าทางนนโดูด ทำในโลดทําให้แจ้งทําให้มากแล้วความแจ้งทําให้มากแล้วแจ้งแล้วใโลดทําไม่แจ้งทําไม่มากทําไม่แจ้งแล้ ว, ล ม, ลวมันมีปริญญาสามสี่อย่างนี้มีอันละสามเป็นสิบสองปริญญาสามปัจจาการสิบสองพระเจ้ารู้เรื่องนี้ เราได้ามตรงนี้ไหมมีอะไรเกิดขึด้นปฏิวัติสามเห็นทุกเป็นผู้ทุ ก, ทกไม่มีปฏิวัติแล้วทุกเป็นทุกไม่มีสติไม่มีกรรมฐานเห็นทุ ก, ทกออกจากทุกพ้นทุกมันมีอยู่ในนั่นแหละ มักก็อยู่ในนั้นทางก็จรงนั้นถ้าเห็นทุกเป็นทุกยังไม่เดินชะก้าวถ้เห็นทุกแล้วพูดง่ายไม่เป็นทุกก้าวไปแล้วเปลี่ยนทุกไม่เป็นทุกไม่ง่ายเห็นหลงเปลี่ยนหลงไม่เป็นหลงเป็นรูปไป ง่ายไปแล้วเป็นเก้าไปแล้วมีเก้าหนึ่งมีเก้าที่สองปเปลี่ยนติเลยก็ไก่ทีนั่น <c oughs> เรียกว่ารู้เท่ารู้ทานนี่เรียกว่าทฤษฎีแบบแบบ ถูกต้องไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมที่ตีพระพุทธเจ้าตระู้คนโบราณมีอย่างไงมนุษย์อย่างไงเป็นอย่างนี้ไม่ทำในตรงไหนเรามาทำดูหรอมันสุดหัวใจส้อผัดดูมีความ ศรัทธาอย่างแน่วแน่ไม่มีวันเสื่อมขายเพราะมันเห็นมันทำแบบนี้งั่นใจใหนการกระทำแบบนี้ไม่มีใครมาแย่งได้มันหลงเรามีสติไม่หลง1้0ยเเนไม่มีใครมาแย่งได้ตรงนี้ อธิบายไงก็ไม่ลงต่อไม่ถูกต้องมันเป็นปรมัณิเป็นสมมุติกรมหลงเป็นสมมุติกรมไม่หลงเป็นปรมาณิอันอื่นยังมีคนมาแย่งได้ไม่สัตย์เเหมือนกรรมาฐานอย่างหลวงตาพูดว่าคนขับเครื่องบินเขาไาแย่งได้คนขับรถรถก็เป็นนั้นหนึ่งคนขับก็เป็นนั้นหนึ่งมันไม่ใช่เหมือน กรรมฐานตองที่ลดมันเสียยางมันแตกมันก็ไม่ไปได้มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่เราคนขับวัวขับเทียงเที่ยงขับมา้าม้าก็เป็นนันหนึ่งวัวค่วยก็เป็นนันหนึ่งบางคนบอกว่ า, วาขับรถมั่นใจก็ขับมา้าม้ามันเป็นหัวใจอีกอันหนึ่ง รถมันเป็นกับเราเองแต่ว่ารถก็เป็นรถมันก็มีอันอื่นอยู่มีลมมีไฟมีน้ำทำให้เสียได้กับเครื่องบินก็มีอะไรมันแย่งได้แต่เรามาขับเคลื่อนชีวิตเราเนี่ยไม่มีใครแย่งหน้าพวกใจหน้าจะขยันทำได้จริงจริง แล้วก็เป็นงานจริงๆ ง, งานของพระเลียเจ้าเป็นทางที่ควรเสพไม่ใช่งานของปุถุชนเตือนหลงเป็นลู่เป็นงานของพระเลียวคนของพระเรี ย, เ, รยเจ้าเราจึงไม่เห็นอะไรที่จะน่าตำหนีปกครองในการปฏิบัติ น่าจะกระตือรือล้นก็สอบอารมณ์ก็ให้าอารมณ์ให้มันเพียงพอกนให้ถ้ามีคำถามก็ถามของตาก็อยู่แถวเห็นโค้งก็ไม่มีคำถามก็ทำไปถ้าปฏิบัติทำไปเองเฉลยไปเอง การทรงเสียนก็อยู่เราก็อยู่นี่หลายลกูกพอที่เป็นเพื่อนกันได้ให้พาหลงทิศหลงทางบางทีก็มีคำตอบอยู่ในตัวแล้วมีหลงก็มีลูกมีทุกข์ก็มีไม่ทุกข์ โอบได้ถึงที่สุดมีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดมีเจต้องมีไม่เจมีเก็บต้องมีไม่เก็บมีตายต้องมีไม่ตายแน่นอนนั่มันจบซะไม่กำเริบอยู่แล้วเป็นชีวิตที่อมตะ แล้วก็เป็นงานที่เราจะต้องใจใจชักหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่หลงหลืมเป็นความเห็นแช่ในชีวิตที่เป็นทิศเป็นจริงอย่างไรนี่ก็เป็นวันที่วันดับเดือนเิดใช่ไหม คือดืนสิบสี่ข้าเดือนเิดวันนี้พระเจ้าองเจ้าจะเดินกำลังเดินทางคือเดินไปแล้วตั้งแต่วันเดือนหกถึงวันดับเดือนเิดนันก็เป็นเดืนอนอธิกรมาตแต่สงห น, นับไม่ค่อยถูกขี้เกียจนับ ไม่อยากจะจำลู้เฉพาะหน้าเจมแข้งที่สุดไม่เคยนับบันนับเตือนแต่ว่านับปากนี้หน่อยวันนี้ก็เป็นวันดับน้องตาจะไปคูเขาถองชั่วหน่อยเตียนก็เป็นวัดของที่เราจะต้องดูแล เพื่อจะบอกสินโหมรทมไม่มีใครแสดงธรรมที่นั่นหลวนตาจะไปตอนเช่าเนี่ยนะจะไปพูดตอนเช่าเนี่ยจะมีรถไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> รถหลวงตากุญแจก็มาอยู่เนี่ยกุญแจก็มีอยู่ในย่างย่างพูดถึงรถน้นรถขาวมีไหมรถขาวรถติ๊กยังไง ไปส่งสักหน่อยได้ไหมไปเจวนี้นะาสายไม่ทันเวลาจะไปประชาสัมพันธ์ตอนเช้านะอจบกับพระพ่อกัน